สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพท่านพลตำรวจตรีทํรรงหุตากรมนท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2488ท่านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้รับยศเป็นร้อยตรยีก็ไปทำงานที่สถานีตำรวจนครบานบางรักเป็นร้อยเวรกะกลางคืนเข้าเวรตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนถึงเช้า คืนหนึ่งขณะที่เขาเวรนดึกเลยเที่ยงคืนไปแล้วมีผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งรูปร่างเตียเต้ยๆผิวดำแดงเดินโซซัสโซเซเข้ามาทักทายท่านตอนนั้นท่านเป็นร้อยตำรวจตรีผู้ชายคนนั้นแนะนำตัวเองว่าชื่อในจันเคยเป็นปลัดอำเภอบางรักแต่ว่ากเกษียณอายุราชการหลายปีแล้วอายุห5สห้าปี หมวดธรรมรงก็สนทนาด้วยอธัธยาศัยไมยตรีก็ไม่ได้รังเกียจกลิ่นเหล้าที่ฉุยโฉยออกมาตลอดเวลาพูดคุยกันสักครู่นายจันทร์ก็ของเงินห้าบาทบอกว่าจะเอาไปซื้อสุราดื่มดื่มตอนตื่นนอนหมวดทรรมรงก็ให้ไปนายจันทร์แวะเวียนมาหาหมวดทรรมรงบ่อยๆแล้วก็ของเงินไปซื้อเหล้าทุกครั้งเหล้าที่แกดื่มเป็นประจำก็คือเหล้าโรง นายจันทร์ก็บอกว่าเล่าลวงนี่ราคาถูกแล้วก็แรงกว่าเล่าแม่ขงหมวดทํารงให้เงินไปทุกครั้งไม่ได้รังเกียจอะไรเวลาผ่านไปเดือนเศษตอนเที่ยงคืนคืนหนึ่งนายจันทร์ก็แวะเข้ามาหาหมวดทํารงเหมือนเคยคืนนั้นนายจันทร์พูดจาขึงขังบอกว่าแกมีบางอย่างที่เป็นของแปลกจะแสดงให้ดูเป็นเรื่องสำคัญมากขอให้หมวดทํารงไปหาแกที่ท้องสนามหลวง เวลา9้าโมงเชา ว, วันพรุ่งนี้หมวดธรรมรงก็ถามว่าของแปลกที่ว่าคืออะไรแกก็ไม่ยอมบอกเพียงแต่ย้ำว่าไปแล้วก็จะรู้เองทั้งยังสั่งกำชับอีกว่าให้หาพระเครื่องใหม่ๆไปด้วยแบบที่ยังไม่ได้ปลุกเสกอะถ้าเป็นพระเนื้อชินก็จะดีมากนายจันยังบอกอีกว่าการที่แกจะเปิดเผยของแปลกให้ดูเพราะเพราะรักแล้วก็นับถือจิตใจของหมวดทํารงอย่างแท้จริง เพราะว่าตั้งแต่แกรู้จักแล้วก็รบกวนขอเงินไปซื้อเหล้ากินหลายครั้งหมวดธรรมรงไม่เคยแสดงความรังเกียจหรือว่าดูถูกดูหมิ่นกันเลยเพราะฉะนั้นแกก็อยากจะตอบแทนบ้างวันรุ่งขึ้นร้อยตำรวจตรีธรรมรงก็ไปที่ท้องสนามหลวงตามนัดเขาไปพบนายจันร์นั่งรออยู่แล้วที่โคนต้นมะขามเมื่อพบกันนายจันก็ถามว่าเอาพระมาด้วยหรือเปล่าหมวดทํารงก็ตอบว่าเอามา แล้วก็หยิบพระไอ้ประเภทพระแก้บนเนื้อตะกวัวเนี่ยให้ดูนายจันทร์ก็หัวเราะบอกว่าดีแล้วจะได้ไม่หักง่ายไวายอย่างนั้นจากนั้นก็ให้หมวดทำรงดูพระแล้วก็จําพระเอาไว้ให้แม่นแล้วก็ให้หมวดทำรงกว้างพระออกไปให้ไกลที่สุดถามว่าให้กว้างพระทําไมก็ไม่บอกหมวดทำรงก็เดินออกไปแล้วก็กว้างพระไปเต็มแรง พระองค์เล็กๆก็ลอยละลิ้วไปตกในพงหญ้าสนามหลวงสมัยนั้นไม่มีการตัดหญ้าเตียนโล่งอย่างปัจจุบันเพราะฉะนั้นหญ้าก็ขึ้นสูงเต็มท่วมหัวไปหมดคว้างเสร็จแล้วก็เดินกลับมาในจันทร์ก็ถามว่าคว้างพระไปแล้วหรือยังหมวทํรรงก็บอกวคว้างไปแล้วในจันทร์พูดว่าอ้าวถ้าคว้างไปแล้วจริงๆทําไมพระถึงมาอยู่ในมือผมได้ละ่ะจะว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วก็แบมือให้ดูปรากฏว่าพระเนื้อตะกัว องค์เก่านี่ยแหละหวางอยู่กลางฝ่ามือแกมวดธรรมรงก็รู้สึกแปลกใจมากก็คิดว่าในจันท์เล่นกลในจันท์ก็บอกว่าแกมีคาถาดีเรียกพระกลับคืนมาได้ถ้าไม่เชื่อจะทดลองกี่ครั้งก็ได้มัวทํารงก็อยากจะลองก็หยิบพระองค์เก่าเนี่ยเดินไปทางกาแพงวังหลวงตรงข้ามกับท่าราชบูรดิตเหลียวมาก็เห็นในจันทร์นั่งอยู่ตรงโคนต้นมะขามเหมือนเดิมแต่ว่าไกลลิบจ้ะ ระหว่างที่กําลังเดินไปก็เห็นเชือกว้าวเนี่ยมันขาดตกอยู่บนพื้นหญ้าก็หยิบออกมาแล้วก็ใช้เชือกว้าวนี่พันรอบพร ะ, ะมัดจนแน่นเลยเหลืออยู่แค่ตรงพระเศียรนะเสร็จแล้วก็คว้างออกไปสุดกําลังพระลอยละลิ่วตกไปในพงหญ้าทีนี้หายังไงก็หาไม่เจอด้วยจากนั้นก็เดินกลับมาที่ในจันทร์ในจันท์ก็แบมือให้ดู ปรากฏว่าพระที่กว้างไปในกราบมาอยู่ในมือในจันยังเหลือเชื่อหมวดทํรรงก็หยิบพระมาพิจารณาดูก็จำได้ว่าเป็นพระองค์เก่ามีได้ว่าวพันรอบองค์เหลือแต่เสียนหมวดทํรรงก็ยังไม่เชื่ออีกขอพิสูจน์ใหม่อีกครั้งในจันท์ก็บอกว่าจะพิสูจน์อีกร้อยครั้งก็ได้คราวนี้หมวดทํรรงก็กำพระเดินออกไปทางท่าช้างวังหลวงตรงไปถึง แม่น้ำเจ้าพระยาเลยตรงท่าจอเรือจ้างปลดเชือกว่าวที่พันรอบองค์พระออกเสร็จแล้วก็เอาลูกกุญแจมาขีดที่ฐานพระเป็นรอยกากระบาดเสร็จแล้วก็ลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะหย่อนพระลงมาในน้ำเพื่อความแน่ใจของตัวเองหมวดเจยก็เอาพระวางไปบนฝ่ามือแล้วก็จุ่มมือลงไปในน้ำก่อนยกขึ้นมาดูเห็นพระเปียกน้ำทั้งองค์ก็หย่อนพระลงน้ำไป ทำถึงขั้นนี้แล้วก็ยังล้วงดูในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อหมดทุกกระเป๋าจนแน่ใจว่าไม่มีพระติดอยู่แน่นอนถึงได้เดินกลับมาหาในจันทร์ซึ่งนั่งคอยอยู่ที่เก่ามาถึงที่ในจันทร์นั่งอยู่หมวดธรรรงก็หยุดยืนอยู่ห่างจากตัวในจันทร์ประมาณเม็ดหนึ่งป้องกันไม่ให้ในจันทร์เล่นกลอะไรได้ในจันทร์ก็ถามว่าคราวนี้เอาพระไปกว้างที่ไหนหมวดธรรรงก็บอกตอบไม่ได้ครเป็นความลับในจันทร์ก็หัวเราะ เสร็จแล้วก็หลับตาท่องคาถาปากขมุบขมิบอยู่ครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นเสร็จแล้วก็บอกว่าคราวนี้ไม่เหมือนคราวก่อนๆตอนนี้เขายังไม่ยอมให้เดี๋ยวต้องขออนุญาตเขาเสียก่อนแล้วนายจันทร์ก็หลับตาใหม่ร่ายคาถาปากขมุบขมิบต่อไปอีกประมาณสองสามนาทีก็ลืมตาจากนั้นก็ยื่นมือขวาออกมาแบให้ดูปรากฏว่า บ, บนฝ่ามือนะั้นมีพระเนื้อตะกัววางอยู่ หมวดธรรมรงก็หยิบพระจากฝ่ามือในจันทร์มาดูก็จำได้แม่นว่าเป็นพระองค์ที่เอาย่อนลงแม่น้ำเจ้าพระยาจริงๆนอกจากเชือกว่าจะไม่มีเพราะว่าเอาออกแล้วตอนนั้นมีรอยกากบาดซึ่งเอากุญแจขีดไว้ก็ปรากฏอยู่นะแถมพระองค์นั้นยังเปียกน้ำอีกด้วยทำให้หมวดธรรมรงรู้สึกอัศจรรย์เป็นที่สุดยอมรับว่าในจันทร์มีคาถาเรียกพระมาได้อย่างสิ้นสงสัย ในจันท์ก็พูดว่านอกจากเรียกพระกลับมาได้แล้วเนี่ยของอื่นก็เรียกมาได้ทุกอย่างมัวทํโรงเกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเราเป็นตํารวจถ้าได้เรียนวิชาเรียกของต่างๆมาได้ต่อจากนี้ไปเวลามีใครทําของหายมาแจ้งความก็ไม่ต้องใช้วิชาสืบสวนกันละ่ะแค่ท่องคาถาเรียกของให้กลับคืนมามันก็ย่อมง่ายที่สุดยิ่งพวกคุณหญิงคุณนายเกิดแหวนเพชรราคาแพงๆหายถ้าเรียกแหวนกลับมาได้ในพริบตานี่ ไม่เพียงแต่จะมีชื่อเสียงเลื่องลือยศตำแหน่งก็เห็นทีจะเลื่อนขึ้นอย่างเร็วเป็นแน่เมื่อคิดฝันเฟื่องไปไกลอย่างนี้หมวดตารงก็ขอฝากตัวเป็นสิทธิในจันทร์เพื่อเรียนวิชาเรียกของกลับซึ่งในจันทร์ก็ยินดีรับเป็นสิทธิแล้วก็จะถ่ายทอดวิชานี้ให้โดยไม่ปิดบัง ในจันซึ่งตอนนี้กลายเป็นอาจารย์จันของหมวดทํามรงก็บอกกับหมวดทํารงบอกว่าผู้ที่จะเรียนวิชาเรียกของกลับมาเนี่ยจะต้องมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงแกก็ไม่รู้ว่าหมวดทํารงจะมีจิตใจเข้มแข็งแค่ไหนเพราะฉะนั้นต้องลองทดสอบดูก่อนโดยนัดหมายให้หมวดทํารงไปหาแกที่บ้านซึ่งอยู่ในตรอกสะพานยาวข้างโรงพักบางรักคืนวันพฤหัสบดีเวลาสี่ทุ่มนะซึ่งแกถือว่า วันพฤหัสที่เป็นวันครูพอถึงคืนวันพฤหัสหมวดทํารงก็ไปที่บ้านอาจารย์จันทร์ก่อนเวลานัดเสวยซ้ําการทดสอบกําลังใจหมวดทํารงว่าจะเข้มแข็งมั่นคงขนาดไหนนั้นอาจารย์จยันก็สั่งให้หมวดทํารงเอาพระเนื้อตะกัวใหม่ๆซึ่งยังไม่ได้ปลุกเสกเอามาทําเครื่องหมายไว้เสร็จแล้วก็ให้คว้างไปไกลๆหมวดทํารงก็ทําตามก็ออกแรงกว้างพระเต็มเหนี่ยวจากบ้านอาจารย์ ได้ยินเสียงพระกระทบหลังคาบ้านคนอื่นที่เป็นสังกสีดังถนัดหูจากนั้นอาจารย์จันทร์ก็ให้หมวดทำโรงนั่งขัดสมาธิยกมือแบออกมาข้างหน้าทั้งสองข้างเสร็จแล้วแกก็เอากระทงใบกล้วยเล็กๆใส่ข้าวตอกดอกไม้มาวางใส่มือแล้วก็ให้เพ่เพงดูเปลวเทียนที่จุดไว้ข้างหน้าโดยตั้งจิตแน่วแน่อยู่ที่เปลวเทียนอยากคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่น ส่วนตัวแกก็นั่งลงอยู่ข้างหลังหมวดทํรรงนั่นแหละก็เริ่มต้นบอกคาถาให้ท่องตามทีละตัวทีละตัวหมวดทํรรงก็ว่าตามคําบอกของอาจารย์จยันทร์เสร็จแล้วก็เพ่งดูปเปลวเทียนบังคับจิตจนแน่วแน่คาถาที่อาจารย์บอกนะั้นมีความยาวพอสมควรเวลาผ่านไปประมาณหนาทีปเปลวเทียนข้างหน้าก็รีวูบลงแทบดับแล้วก็สว่างวูบขึ้นมาอย่างผิดปกติ อาจารย์จยันก็หยุดบอกคาถาทันทีเสร็จแล้วก็บอกให้หมวดทํรรงคุยดูข้าวตอกดอกไม้ในกระทงหมวดก็ใช้นิ้วเขี่ยข้าวตอกดูในกระทงก็พบว่าพระซึ่งหว่างไปตะกี้เนี่ยกลับมาอยู่ในกระทงอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดหมวดทํรรงก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นเมื่อประจักษ์ว่าตัวเองก็สามารถเรียกพระกลับมาได้เหมือนกับอาจารย์เหมือนกันอาจารย์จันทร์ก็ดีอกดีใจ ที่หมวดธํรรงมีพลังจิตกล้าแข็งสามารถที่จะถ่ายทอดวิชาให้ได้จากนั้นอาจารย์จันทร์ก็ทำวิธีรับหมวดธํรรงเป็นลูกศิษย์อย่างถูกต้องอาจารย์จันทร์ก็บอกกับลูกศิษย์คนล่าสุดว่าการจะให้วิชาเรียกของกลับมาเข้มขลังใช้งานได้ดังใจนึกต้องมีอุปกรณ์ของอื่นๆด้วยถ้ามีไม่ครบการใช้วิชานี้ในคราวต่อไปจะใช้ไม่ได้หมวดธํรง ตอนนั้นอาจารย์จะให้ทำไงก็เชื่อทุกอย่างก็มอบเงินมาให้อาจารย์จยันสอง200ยบาทเพื่อจัดหาสิ่งของอุปกรณ์แล้วแกก็สั่งไว้อีกหวันให้มาพบที่บ้านเวลาห้าทุ่มเนื่องจากวันที่ว่าเน่เป็นวันฤกษ์ดีมีชัยอีกหวันต่อมาถึงคืนวันนัดหมายหมวดทํรรงก็มาพบอาจารย์จยันที่บ้านอาจารย์ก็บอกว่าที่ต้องไปหาสิ่งของอุปกรณ์ดังกล่าวก็คือจะต้องไปหาเจ้านาย มาคุมลูกน้องบริวารคือการใช้วิชาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีบริวารคอยช่วยเหลือดังนั้นก็จะต้องมีตัวนายเนี่ยมาคุมบริวารอีกต่อหนึ่งไม่ให้เกเรอาจารย์จยันจะพาผู้หมวดธรรมรงคไปเชิญตัวนายมาอยู่ด้วยอาจารย์จยันก็บอกว่าวิชาเรียกของที่หายแล้วกลับคืนมาเนี่ยต้องมีลูกน้องบริวารที่ว่านั่นแหละผูนะ้หวทํารงก็ไม่ค่อยเข้าใจนะหมายถึงอะไร แต่เวลานั้นกําลังเลื่อมสายศรัทธาอาจารย์จยันมากก็ไม่ได้สอบถามรายละเอียดอาจารย์ว่าไงก็ว่ากันอาจารย์จันร์ก็ให้ตามแกไปเอาตัวเจ้านายนะเสร็จแล้วก็สั่งว่าเวลาไปด้วยกันถ้าเกิดความสงสัยเรื่องอะไรห้ามพูดจาซักถามอย่างเด็ดขาดไอ้เรื่องความสงสัยที่ว่าเนี่ยแกจะอธิบายให้รู้ทีหลังหมวดแกก็รับคําจากนั้นอาจารย์จันทร์ก็เดินนําหน้าออกจากบ้านด้วยท่าทางเคร่งขรึม วันนั้นอาจารย์จยันแต่งตัวด้วยเสื้อขาวกางเกงขาวดูเรียบร้อยเป็นพิเศษแกก็พาหมวดทํโรงเดินเข้าไปในซอยจุฬาซอยหกนะอำเภอปทุมวันเดินลึกเข้าไปจนค่อนซอยก็มาถึงศาลพระภูมิเจ้าที่ที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทางด้านซ้ายมือศาลพระภูมิแห่งนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาว บ, บ้านในซอยนี้เป็นอย่างมากว่ากันว่าเป็นศาลเจ้าที่ที่แรงแล้วก็เฮียน มีเด็กชนปีนเข้าไปเล่นบนต้นไม้รถตกลงมาตายรถทับพลตายโกตรงศาลนี่แหละรถชนกันก็มีตายที่นี่เหมือนกันก็นับว่าเป็นเจ้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าล่วงเกินลบหลู่เป็นอันขาดแม้แต่หมวดทำรงก็ยังให้ความนับถือทุกครั้งที่ผ่านหน้าศาลนี่จะยกมือไหว้ผ่านทุกครั้ง อ, อาจารย์จันทร์มาถึงหน้าศาลพระภูมิแกก็หยุดยืนยกมือไหว้แสดงความเคารพ เสรแล้วก็บริกรรมคาถาอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ล่วงมือเข้ามาในศารหยิบตุกตาจวเจว็ตมาตัวหนึ่งน่าแปลกอย่างยิ่งก็คือเมื่ออาจารย์จยันหยิบจวเจว็ดออกมานี่หมาหลายตัวแถวนั้นพากันส่งเสียงหอนโหยหวนพร้อมพร้อมกันเป็นเวลานานมวดธรรมรงก็เกือบจะถามอาจารย์จยันแล้วว่าหยิบเอาจวเจว็ดเข้ามาทําไมแต่ยั้งปากเอาไว้เพราะคิดว่าแกห้ามเอาไว้จากนั้นอาจารย์จยันก็ออกเดินย้อนกลับไปบ้านของแก เมื่อถึงบ้านอาจารย์แกก็เข้าไปในห้องหยิบของสองสามสิ่งมามอบให้เสร็จแล้วก็อธิบายว่าเศษผ้ากว้างยาวขนาดผ้าเช็ดหน้าเก่าๆแล้วก็เหม็นอับเหม็นหืนพิกลเนี่ยเป็นผ้าตราสังผีตายหงที่แกได้มาจากสปเอวะสะเกตส่วนขี้พึ่งอีกก้อนนีเนี่ยก้อนใหญ่เหมือนกันเป็นขี้พึ่งปิดหน้าศพผีตายทั้งกลมซึ่งจะใช้ทาเทียนนะ ส่วนไส้เทียนก็คือได้ดิบที่เขาใช้มัดศพผีตายโหงอะแหละอาจารย์ก็บอกให้มวทํรรงเอาของพวกนี้ไปไว้ที่บ้านนะพวกผีตายทั้งกรมและผีตายหงนี่ก็จะตามไปรับใช้แล้วก็คอยช่วยเหลือเมื่อต้องการเรียกของที่หายกลับคืนมามวทํรรมรงเมื่อรู้ว่าการจะเรียนวิชากับอาจารย์จันจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับพูดผีปีศาจอย่างนี้ก็ใจเสียเนื่องจากตัวเองไม่ชอบเรื่องทานองนี้ พร้อมกันนั้นก็เข้าใจเดี๋ยวนั้นเองว่าไอ้คราวที่อาจารย์จันทร์แสดงวิชาเรียกพระให้กลับมาครั้งแรกแล้วก็สั่งกำชับไม่หาพระใหม่ๆยังไม่ได้ปลุกเสกไปด้วยนั่นก็เพราะว่าแกใช้อำนาจพูดผีนี่เองถ้าหากนําพระเครื่องที่ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วอนุภาพของพระพุทธคุณก็ยอมทําให้ผีไม่กล้าเข้าใกล้มวทํรรงก็บอกอาจารย์จยันร์ตามตรงว่าต้องการจะเรียนวิชาเรียกของโดยใช้พูดผีเข้ามาช่วยอย่างเนี้ย ไม่ขอเรียนดีกว่าอาจารย์จันร์ก็โอ้โอโลมขยันขยอเป็นการใหญ่ให้เรียนต่อพร้อมกับอ้างคุณวิเศษสารพัดหากักเรียนสำเร็จหมวดทํรรงก็ถามอาจารย์จันร์ว่าตะกี้นี่ไปล่วงเอาจเจวทในสารพระภูมิมาทำไมการทําอย่างนั้นน่ะเหมือนกับไม่เคารพท่านเพราะว่าแม้แต่หมวดเองก็ยังให้ความเคารพแล้วก็ชาวบ้านก็เชื่อถือว่าท่านน่ะศักดิ์สิทธิ์นัก อาจารย์จยันก็หัวเราะก็บอกว่าก็ศักดิ์สิทธิ์ดียิ่งเฮียนยิ่งหลีจะได้คุมบริวารไม่ให้เกรเรออกนอกลู่นอกทางและที่ต้องไปเอาตอนดึกก็เพราะชาวบ้านเขาเคารพนี่ขืนไปเอาตอนกลางวันนะชาวบ้านจะได้เหยียบเอาอาจารย์จยันหว่านล้อมอยู่นานจนหมวดทำโรงยอมเอาสิ่งของต่างๆกลับไปที่บ้านจนได้หมวดทำโรงกลับถึงบ้านเป็นเวลาดึกเดินค่อนคืนแล้วกว่าจะอาบน้ําเข้านอ น, อนก็เป็นเวลาตีสามกว่าแล้ว เมื่อเอาของที่อาจารย์จยันมอบให้มาถึงบ้านหมวดทรรรงก็เริ่มสัมผัสความไม่ชอบมาพากลคือที่บ้านแกเลี้ยงหมาไว้สามตัวตามปกติหมาเหล่านี้จะอยู่กันอย่างสงบแต่สำหรับคืนนั้นหมาทั้งสามตัวกลับวิ่งพล้านไปทั้งบ้านโกงคอเห่าหอนกันระงมกล่าวได้ว่าตั้งแต่เลี้ยงหมาพวกนี้มามันไม่เคยแสดงกิริยาแบบนี้มาก่อนหัวทํารงก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่คิดอะไรมาก ประกอบกับตอนนั้นง่วงนอนมากก็รีบเข้านอนนอนหลับไปแล้วก็ฝันเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนเปิดหน้าต่างบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสักเกือบเกือบสสิบแล้วไว้ผมยาวประบ่าหน้าตาขาวซีดบวมชุในตาพองโตน่ากลัวผู้หญิงคนนั้นกวักมือเรียกหมวดทำลงแล้วก็เรียกชื่อแกให้เข้าไปหาฝันได้แค่นี้ก็ตกใจตื่น พอลืมตาตื่นก็ได้ยินเสียงหมาสามตัวกําลังหอนประสานเสียงกันอย่างน่าขนลุกการที่หมาเห่าหอนพร้อมๆกันนะั้นมีคําบอกเล่ามาช้านานแล้วว่ามันก็เห็นผีแหละเห็นวิญญาณมันเห็นแล้วก็สัมผัสรับรู้ในสิ่งซึ่งมนุษย์ไม่สามารถจะรู้เห็นได้มวดทมรงก็รู้สึกผิดสังเกตจากการที่ตัวเองฝันแปลกๆ แ, และหมาเห่าหอนผิดปกติก็ลุกขึ้นนั่งสวดมนต์ทันที ส่วนมนเป็นเวลานา น, านพอสมควรกระทั่งหมาทั้งสามตัวงเงียบเสียงไปแล้วซึ่งเวลานั้นก็เป็นเวลารุ่งเช้าพอดีก็เลยไม่ต้องนอนกันละลุกขึ้นอาบน้ําแต่งตัวพร้อมมาเก็บสิ่งของที่อาจารย์จันทร์ให้ทั้งหมดนําออกไปจากบ้านด้วยมัวทำรงก็เอาสิ่งของพวกนี้ตรงดิ่งไปยังบ้านอาจารย์จันทแล้วก็ขอคืนให้แก่ทั้งหมดบอกแก่ตรงๆว่าขอลาออกจากการเป็นลูกศิษย์แล้วก็ขอเลิกไม่เรียนวิชาที่จะเรียกของนี่อีกต่อไปแล้ว อาจารย์จันทร์ก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียดายมากพยายามพูดจาหวานล้อมให้หมวดจะเรียนวิชาจากแกอาจารย์ก็บอกว่าสิทธิ์อย่างหมวดนี่หายากเพราะว่าแค่ทดลองเนี่ยทำครั้งแรกก็สามารถเรียกของกลับมาได้แล้วหากได้เรียนจนครบทวนกระบวนความนี้จะต้องเก่งอย่างแน่นอนแต่หมวดทํารงไม่เอาแล้วทีนี้ไม่ยอมใจอ่อนแล้วคงยืนยันขอเลิกเรียนอย่างเด็ดขาดอาจารย์จันทร์ก็ถึงกับบ่นอย่างเสียดายแหม เพราอีจองคนเดียวอีจองวัสะเกตไปหาหน่อยเดียวเท่านั้นกลัวไว้ได้เสียดายจริงๆนะหมวดอีจองมันก็เต็มใจไปอยู่ด้วยแล้วกลับไม่เรียนต่อถ้าทําใจแข็งซะหน่อยเดียวรับรองว่าต้องเรียนสําเร็จเร็วๆนี้แหละพระอีจองมันต้องช่วยหมวดเต็มที่เลยอีจองที่อาจารย์จยันเอ่ยชื่อถึงเนี่ยก็คือผีตายทั้งกรมซึ่งอาจารย์ไปเอาผ้าตราสังศพมานั่นเอง อาจ า, จารย์พยายามพูดจาหวานล้อมให้หมวดเรียนวิชาจากแกต่างๆนานาแต่ยังไงยังไงหมวดทํารงย ก, ก็ไม่ยอมเล่นด้วยแกก็ต้องตามใจแล้วก็แสดงความผิดหวังอย่างแรงก่อนที่หมวดทํารงจะลากลับอาจารย์จันท์ก็บอกว่าเมื่อหมวดไม่ยอมเรียนก็ไม่เป็นไรละครับสําหรับอีจงนะเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเอาไว้เองถ้าวันไหนหมวดเปลี่ยนใจอยากจะกลับมาเรียนใหม่ก็มาเรียนได้ทุกเมื่อนะหมวดนะ หมวดทำรงก็ขอบคุณที่อาจารย์มีความตั้งใจและปรารถนาดีแต่หมวดก็รับไว้ไม่ได้จากนั้นแกก็ลากลับไปทำงานต่อหลังจาก100าร้อยตารวจตรีทำรงตัดสินใจไม่เรียนวิชาอาคมที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณพูดผีเวลาผ่านไปได้ประมาณ7วันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเวลานั้นตอนเช้าหมวดทำรงกาลังนั่งทางานอยู่ที่โรงพักบางรัก ลูกชายอาจารย์จันก็วิ่งขึ้นมาบุรองพักร้องไห้ไปด้วยเสร็จแล้วก็บอกกับหมวดทรรรงบอกว่าอาจารย์จันทร์ซึ่งเป็นพ่อเนี่ยเป็นลมตายตั้งแต่ตอนดึกเมื่อคืนนี้ขอให้หมวดไปเยี่ยมศพด้วยหมวดทรรรงก็ตกตะลึงนึกไม่ถึงอาจารย์จันร์จะอายุสั้นมาด่วนตายกระทันหันอย่างนี้เสร็จแล้วแกก็ไปไปบ้านของอาจารย์จันพร้อมกับลูกชายแกเมื่อไปถึงบ้านก็เห็นสภาพศพของอาจารย์จันทร์ยังอยู่ในสภาพเดิมตอนที่สิ้นใจตาย นั่นคือศพนอนหงายเหยียดยาวอยู่บนพื้นเรือนซึ่งยกสูงหัวห้อยออกมาที่นอกชานดวงตาทั้งคู่ก็เบิกถลนออกมาลิ้นจุกปากมีน้ำลายไหลเลอะเทอะลักษณะการตายของอาจารย์จันเหมือนกระถูกบีบคอจนกระทั่งขาดใจตายเป็นการตายที่น่ากลัวอย่างยิ่งหมวดทำรงก็ได้แต่สลดสังเวช ท, ที่เห็นวาระสุดท้ายของอาจารย์จันร์อย่างนั้นพร้อมกันนั้นก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าตัวยังเรียนวิชาอาจารย์จันทร์ต่อไป บางทีคนที่จะต้องตายอย่างน่าสยดสยองในสภาพที่เห็นเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวแกเองก็ได้มวทํมรงบอกกับลูกชายอาจารย์จยันบอกว่าถ้าจะให้ช่วยเหลืออะไรก็ไปบอกได้ทุกเวลาไม่ต้องเกรงใจยินดีให้ความช่วยเหลือทุกอย่างจากนั้นก็ลากลับโรงพักก็ปล่อยให้ลูกชายกับญาติญาติของอาจารย์จยัน จ, จัดการตามประเพณีกันต่อไปการที่อาจารย์จยันประสบกับความตายอันน่าพรั่งพึงอย่างนี้คงไม่อาจจะคาดเดาเป็นอย่างอื่นไปได้ นอกจากจะลงความเห็นว่าถูกผีตายทั้งกรมที่ชื่ออีจงเนี่ยบีบคอตายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเป็นการยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าวิญญาณที่ดูร้ายเนี่ยสามารถปิดชีวิตมนุษย์ได้โดยเฉพาะพวกหมอผีซึ่งใช้อำนาจกิิยาคมบีบคั้นบังคับวิญญาณเขาเอาไปใช้ทำประโยชน์ให้ใช้ความเข้มขลังจากพลังจิตบวกกับฤทธิ์อานาจวิชาอาคมข่คมขู่ให้วิญญาณหวาดเกรงจาเป็นต้องสยบยินยอมอยู่ใต้คาสั่ง วิญญาณที่ถูกบังคับกดขี่ก็ย่อมเกิดโทสะเกิดความโกรธความเกลียดเมื่อไรที่ฤทธิ์อำนาจของหมอผียังกล้าแข็งผู้ผีวิญญาณก็จะยอมอยู่ใต้คำสั่งแต่เมื่อไรฤทธิ์อำนาจหมอผีถดถอยน้อยลงหรือว่าไปเจอวิญญาณที่กล้าแข็งกว่ามีพลังความดุร้ายโหดเยี่ยมเหนือกว่าหมอผีต้องระวังตัวให้ดีเพราะว่าวิญญาณซึ่งแฝงความอาฆาตโกรธเกลียดเอาไว้มันจ้องคอยจะแก้แค้น ถ้ามีโอกาสเมื่อไหรก็จะเล่นงานถึงตายได้ทุกเวลาอย่างเช่นอาจารย์จันร์เป็นตัวอย่างแกคงจะเลี้ยงผีประเภทร้ายๆเอาไว้ตลอดเวลาที่อยู่รอดปลอดภัยมานานก็คงเนื่องจากผีหรือว่าวิญญาณ น, นี่ยังเกรงกลัวอํานาจอาคมของแกอยู่แต่เมื่อนําเอาวิญญาณของอี จ, จงมาเลี้ยงโดยคิดไม่ถึงว่าวิญญาณอี จ, จงนั้มันผีตายทั้งกลมจะมีความดุร้ายกล้าแข็งมากและอาจารย์จันทร์คงจะเกิดความประมาทพลั้งเผลอ ถึงได้ถูกวิญญาณอิจงปลิดชีวิตในที่สุดครับเป็นไปตามคำโบราณที่กล่าวไว้ว่าหมอผีตายเพราะผีไม่มีผิดจ้ะครับคุณประกอบเล่าว่าแกรู้จักสัปรเรออยู่คนหนึ่งแกเป็นเพื่อนกับลุงของคุณประกอบนี่แหละ เห็นแกทีแรกก็นึกกลัวผิวดำตัวเล็กแต่ว่าแข็งแรงใบหน้าแกน่นแหละที่น่ากลัวแข็งทื่อยังกับผีเหมือนศพไม่ยิ้มไม่หัวเราะแกะเป็นคนยังไงกก็ไม่เข้าใจคุณประกอบก็ไม่เข้าใจลุงว่าไปคบหากแกได้ยังไงเพราะลุงเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสแกชื่อสัพเพอร์เมฆอ่ะแกะชอบไปหาลุง วันนั้นบังเอิญคุณประกอบก็ไปหาลุงไปเจอก็นั่งคุยกันอยู่ที่แคร่ใต้ต้นมะม่วงข้างบ้านขณะนั้นคุณประกอบยังเป็นเด็กเจอผู้ใหญ่ก็ยกมือไหว้ลุงก็ถามมายัางไงมีอะไรหรือเปล่าอ่าก็บอกเปล่าครับลุงก็เลยให้นั่งฟังสับ ป, ปะเลมเมกเล่าเรื่องแปลกๆ แ, แกกําลังเล่าเรื่องผีอยู่พอดีก็เลยนั่งฟังมันใบๆบจะเป็นกลางคืนก็กลัวหัวโหวดไปแล้ว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 แกก็เอาไปฝังตามที่เขาสั่งที่ปรชาช้าขุดดินลึกเกือบแขนเขาบอกให้ฝังลึกๆึกพอเขากลับมันก็กลับไปที่บ้านอีกอีกเจ็ดวันต้องเรียกสั ป, ปรเร่ออีกแล้วให้ให้ไปเอาก้อนหินไปฝังสั ป, ปรเร่อเมฆก็เลยบอกว่าคงต้องทำพิธีอะไรหรือเปล่าให้พวกเขาไปสอบถามหมอผีดูที่ว่าจะทำยังไงพวกเขาก็ไปถามหมอผีหมอผีบอกว่าต้องทาพิธีสะกดซะก่อนหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องให้พระท่านสวดถอนอาถรรพ์ จะภาพเขาคิดกันว่าถ้าให้หมอผีสะกดจะเกิดสะกดไม่อยู่ก็กลับไปที่บ้านอีกอะก็เลยให้พระสวดอ่าสวดถอนอาถรรพ์เมื่อเสร็จแล้วก็ให้แกเอาไปฝังในป่าชาคราวนี้ขุดลึกกว่าเก่าฝังเอาไว้แล้วก็กลบดินใช้จอบกระแทกจนแน่นหลังจากวันนั้นมาก้อนหินก็ไม่ไปรบกวนอีกคุณประกอบก็นั่งฟังอย่างสนใจอ้าปากค้างทีเดียวแล้วก็จาได้ไม่เคยลืมจนทุกวันนี้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 ลุงที่ต่อนอกเล่าให้ฟังว่าสแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นโดนคุณใส่แกบอกว่าสับปะเดอเอาเนื้อนมาตัดแบ่งให้กินด้วยเพราะกินเนื้อแล้วจะไม่โดนคุณใส่ว่างั้นใครทําคุณใส่ไม่ได้เป็นเครื่องป้องกันลุงก็กินเข้าไปด้วยเออแกกินเนื้อผีก็ไปจริงๆแกสะบานได้ว่าไม่ใช่เรื่องโกหกไอเรื่องคุณไส่มันน่ากลัวมีคนโดนกันอยู่ประจําตามบ้านนอกอาจจะไม่ทักเสียงที่เกิดขึ้นกลางคืน